ไม่เคยได้เห็นน้ำตาที่เป็นของฉันใช่ไหมที่ต้องคอยแอบๆเอาไว้และไม่เคยร้อง ม, มันออกมาที่เธอไม่รักแม่เธอไม่เคยได้เห็นในสายตา สิ่งดีๆที่บอกกันมาแต่ไม่เคยได้ใกลก่านี้สิ่งที่เธอเคยได้เห็นฉันคือฉันคนเดิมอยู่ตรงที่เก่าแบ่งปันอารมณ์ที่เหงาที่ซึมเศร้าแต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก ที่รักเธออีคนที่เรารักเธอคนเดียวทุานั้นหมดใจไม่ต้องการคำตอบใดๆแค่อย่าทำร้ายใจก็พออาจมีสักครั้งที่เธอต้องทนอ้างว้างในเลือแใคร อีกหนึ่งคนไกลคนที่ใจไม่ไกลจากเธอสิ่งที่เธอเคยได้เห็นฉันคือฉันคนเดิมอยู่ตรงที่เก่าแบ่งปันอารมณ์ที่เงาที่ซึมเศร้าแต่ไม่ใช่คนที่เธอ ที่รื ให้เธอรู้คนอย่างฉันแม้จะยืนอยู่ไกลแต่ว่าฉันยังไม่เคยคิดจะจากไปอยากให้เธอรู้ว่ามีอีกใจที่รักเธอบอกให้เธอรู้ใกลๆ้ๆหนึ่งใจยังรักเธอ